อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองกบิลพัทเมืองกบิลพัทอยู่ทางโน้นที่นี่ก็น่าจะเป็นเมืองนิโครธารามซึ่งตามพวกแขกก็รังสรรคนิทานว่าที่ตรงนี้คือที่ประชุมพระเพลิงพระพุทธบิดาในนะสถูปใหญ่ส่วนสถูบเล็กตรงโน้นซ้ายมือนี้เป็นที่ประชุมเพลิงของพระนางสิบหามายาให้ถือเอาอะไรที่มันค่อนข้างแน่นอนและก็ชัดเจนเป็นหลัก ตรงไหนที่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจก็เอาไว้ก่อนอใครมีประเด็นอะไรที่จะสนทนาอีกไหมศาสนาิสลานเองก็เชื่อว่าแถวนี้คือบริเวณนิโครธารามบุพานนิโครธารามอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองกบิลพัะพัฒเมืองกบิลละพั์อยู่ทางโน้นที่นี่ก็น่าจะเป็นเมืองนิโครธารามซึ่งตามพวกแขกก็ก็ศาสนิสลานว่าที่ตรงนี้คือที่ประชุมพระเพลิงพระพุทธบิดาในนะสถยนะสูบใหญ่เห็นไหม ที่กล่าวถึงเมืองนี้ชื่อริมหามายาเป็นที่พระองค์คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธบรมสารีและก็ธาตุของครวะคารวาตวิสัยอยู่ยี่สเก้าพรรษาเพราะว่าณนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็แบ่งพระธาตุมากั บ, บิลพัสด้วยนั่นแหละันเราทั้งหลายก็น้อมล้ำลึกกล่าวบูชาสรรเสริญพระรัตนตรยัยอารหาห์สับเมืองก บ, บิณฑพ แล้วก็จะได้แสดงมหาสุญญาสูตรที่นี่ด้วยในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะที่กล่าวถึงเมืองนี้ชื่อว่าเมืองกบิลพัฒเป็นทาพระบวชแล้วพระองค์ก็ตือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครองจนถึงเมืองราชครึกก็ยี่สิบเก้าพรรษาณเมืองนี้นะเพีงเงื่อเขาปันดวะทู่ทั้งสี่ประการก็ออกบวชท่าที่แขกเล่าก็คือ ราชสมบัติเมืองนั่นน่ะประตูนั้นเป็นที่ประตูที่พระองค์ <Yeah. S 1> สเสด็จออกพนวดเนี่ยนะรลายทรมาบอกฟังไม่เข้าใจบอกว่ามหาพิเนสกรมเขาบอกง้เขาเข้าใจทีนี้เมือเอเ่ อ, อ พ, รพระองค์เสด็จออกพนวดพระองค์ก็ขี่ม้าไปจนถึงแม่น้ําอโนมาใช่ไหมแล้วก็อธิษฐานบวชที่แม่น้ําอโนมาพระบวชแล้วพระองค์ก็เดินไปอีก7วันเนี่ยนะพุทธดําเนินไป7วันจนถึงเมืองราชคลึก ก็ตำนานอย่างที่เรารู้กันว่าพระ อ, องค์ไปที่เมืองราจะคืกไปพักทิ้งเงือมเขาปันดาวะบินทบาลแล้วก็ฉันพระเจ้าพิมพ์พิสารก็ไปเชื้อเชิญด้วยราชสมบัติพระ อ, องค์ก็ปฏิเสธเนี่ยนะตัวปฏิเสธว่ า, าบ้านเมืองที่นี่นี่เป็นบ้านเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากเนี่ยนะซึ่งถ้าหากว่าผู้ไม่ใจเด็ดเดียวจริงๆไม่สแสวงหาโพธิญาณอย่างแท้จริงจะไม่ไม่ไมละเพื่อออกบช อ, อย่างนี้หรอก เพราะว่าแถวเทนี้ถือว่าพป้นที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งด้วยทรัพยากรทุกชนิดเนี่ยนะตอนที่พระองค์ออกอปฏิเสธพระเจ้าพิมพิสารก็พระเจ้าพิมพิสารก็ร า, า ร, กราธนาเชื้อเชิญว่าขอได้โปรดถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมาสงเคราะห์ที่เมืองพระองค์กรพระองค์ก็ออกบำเพ็ญทุ ก, การกิริยาจนถึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระ อ, องค์ตระชะชาวมคระทะเนี่ยนับถือชดินสามพระโอษมาประกาศอริยสัจจะทำเป็นครั้งแรกทั้งสาพี่น้องพร้อมทั้งบริวารบรรลุเป็นพอพระ อ, องค์ประกาศอริยสัจเมื่อชดินสามพี่น้องพระอัญญาโกมพัญยะบรรลุบรรลุธรรมตลอดจนถึงสอนปัญจวัคคีทั้งห้าพัทธวัคคีสามสิบรวม จ, จนถึงพระยศพร้อมทั้งสหายก็บรลุธรรมพระองค์ก็แสดงทําให้ชดินสามพี่น้องบรรลุเพราะว่าจะ จะไปโปรดเมืองราชาครกได้เนี่ยนะก็ไปเฝ้าราชาครืกนั้นนับถือชิดินสามพี่น้องมากเนี่ยนะชาวอังฆะชักนะเนี่ยนับถือชิดินสามพี่น้องมากมพระองค์ก็แสดงทําให้ชิดิน3ามเดียวก็พร้อมทั้งบริวารบรรลุเป็นพระอรหันด้วยอาทิตตปริยายเทศนาเมื่อชิดินสามพี่น้องบรรลุแล้วพร้อมทั้งบริวารพระองค์ก็สเสด็จจาริกมาที่เมืองราชาครกพร้อมด้วยพิสุพันรูป คืออดีตชิรินสาัฉาามพี่น้องพร้อมทั้งบริวารพระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งบริษัทสิบสองหุ่คือ1นึ่งหมื่นึ่งแสองห0 0 0นคนก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงพรหมนารทกับสตชาดกก็บรลุธรรมพระเจ้าพิมพิสารก็บรลุธรรมพร้อมบริษัทหลังจากนั้นเนี่ย เ, เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่ ทางเมืองราชคิร์กทางโน้นเนี่ยพระเจ้าสุดโทธนะจะได้ข่าวเป็นระยะระยะยนะก็เพราะว่าพระ อ, องค์ก็มีด้วยซ้าไป น, นะว่าถือว่าแก่แล้วพระราชบุตรของพระ อ, องค์ให้ตายอย่างไรอ่าลูกซึ่งบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านเนี่ยนะก็เลยตอย่างไรพอพระเจ้าสุดโทจะไปฟังธรรมที่เทเวลุวันเล้วทางนี้ก็คิดถึงมากคิดถึงก็เลยส่งอมตะหนึ่งนายพร้อมทั้งทหารหนึ่งพัน ให้ไปเชื่อเชิญไปนิมนต์ให้พระพุทธเจ้านั้นกลับมาที่เมืองกบิลพัทเพราะว่าเรานี่แก่แล้วคือเชื่อว่าพระพุทธ เ, เจ้าสุดโททนะเนี่ยตอนพระพุทธเจ้าบรรลุนี่อายุพอจะละแค่นะไม่น่าจะต่ากว่าหกสิบปีหรือเจ็สิปีด้วยซ้ำบันไปหมดแล้วก็เหลือก็แก่แล้วว่าเดี๋ยวจะตายซะก่อนไม่ได้เห็นหน้านู้ดสัตว์พระพุทธเจ้าเนี่ย ก็เลยส่งอัมมาต่อชุดแรกอัมมาตชุดแรกก็ไปฟังที่การุณฟังธรรมที่ทระเวรุวันฟังแล้วก็บรรลุเลยก็พอบรรลุเป็นพระทหารก็เลยนะไม่ไม่ไม่สนใจแล้วว่าราชกิจอะไรสักอย่างละก็ส่งชุดที่สองไปพระเจ้าสุโธธนะก็น้อยใจว่าพวกทหารพวกอัมมาตที่ส่งไปนี่ไม่คิดถึงเราเลยเนี่ยนะส่งไปก็หายเงียบไปหมดก็ส่งไป อ, อย่างนี้เก้าชุด พอจนถึงชุดที่10บคือส่งนะไม่เห็นมีใครและอมตะใหญ่ๆนี่ส่งไปหมดแล้วก็เหลือการุทายีอมตะที่เป็นสหายเล่นฝุ่นมากับพระโพธิสัตว์ก็เลยส่งไปพร้อมทั้งอมตะห 1,000 พนายส่งไปทีนี่าการุทายีอมตะก็บอกว่าขอให้ข้าพระองค์นขออนุญาตบวดด้วยนะือใบไม้ที่อากาศสมัยนั้นเนี่ยเชื่อชเชิญเรื่องก็สะดวกราบรื่น พระการุทายีบวหรือไม่บวชก็ตามใจว่าทหารก็นิมนต์พระพุทธเจ้าให้กลับมาที่เมืองอยศัตร์ชาวอังคะชาวมาคตบรรลุเป็นพาอทหารประมาณหนึ่งมืนรูปแล้วก็ส่งเคราะห์พวกอมาตะและทหารทั้งหลายที่ส่งไปจากเมืองกบิลพัส์เนี่ยบรรลุอีกหนึ่งหมืนรูปตอนพอประมาณเดือนสักเดือนที่ใบไม้ผลินเนี่ยนะก็คิดว่าแถวๆเดือนมีนาคมเนี่ย ช่วงเดือนมีนาคมเป็นฤดูใบไม้ที่อากาศสมัยนั้นเนี่ยร่มรื่นมากเนี่ยนะถนนหนทางก็สดิมาศจะมาพระกาลุทายีพระกาลุทายีที่บรรลุเป็นพระทางทหารพระพุทธเจ้าให้กลับมาที่เมืองกระบิลพัฒน์ก็โดยการกล่าวถึงเสรรเสริญถนนหนทางเนี่ยนะประมาณหกสิบคาถาที่เป็นคาถาสรรเสริญถนนหนทางเนี่ยซึ่งพระองค์ก็รับอาราธนามา อย่างที่พระ อ, องค์ราตนาพระ อ, องค์ก็เดินทางพุทธดําเนินวันละหนึ่งโยนเดินทางจากเมืองราชคึกมาจนถึงเมืองนี้ใช้เวลาสองเดือนด้วยกันนี่ในระหว่างสองเดือนที่ประทับเดินทางรอนแรมมานั้นพระกาลุทายยามาพะพุทธเจ้านี้ประทับอยู่ที่ไหนดีคิดไปคิดมาก็ฉําเสร็จก็จะเอาอาหารนิโครทารามเออสวนนิโคทเนี่ยนะสวนของเจ้าลาเดินทางตลอดสองเดือนนี้ที่จะถวายให้พระพุทธเจ้าประทับ ก็เลยพระกาลุทายีนี้แสดงทําให้ท่านก็เชื่อว่าเสือนิโครธารามเนี่ยก็น่าจะอยู่เพราะฉะนั้นก็พระอุทายีก็เป็นทิศวันออกของเมืองก็เชื่อว่าแถวๆที่เราบริณเลื่อมใสเนี่ยนะปลูกความเลื่อมใสให้พระเจ้าสุโธธนะเป็นต้นนี้เลื่อมใสหลังจากนั้นพระองค์ก็จาริกมาเรื่อยๆจนถึงเมืองก่อนจะถึงเมืองนี้กษัตริย์ทางนี้ก็ปรึกษากันว่าจะอาราธนาให้พระพุทธเจ้านี้ประทับอยู่ที่ไหนดีคิดไปคิดมาก็เห็นว่า อันนี้ถ้พระพุทธเจ้าอยู่สวนนิโครดเนี่ยนะสวนของเจ้านิโครดนี้เหมาะสมที่สุดที่พันก็เลยเส่งพระุทธเจ้าประทับก็เลยได้ถวายสวนนิโครทารามท่านก็ชลม น, นมนิโครธารามเนี่ยก็น่าจะอยู่ทิศตะวันออกของเมืองถ้าเป็นที่นั่งของเมืองก็เชื่อว่าแถวแถที่เราบริเวณนี้นั่งอยู่นี่แหละเพราะเมืองนี่อยู่ทางทิศตะวันตกนี่ยนะทิศตะวันตกพันบริเวณเชื่อว่าบริเวณนี้คือสวนนิโครธารามทีนี้ตอนที่พระองค์เสเด็จมาพักที่ที่สวนนิโครทารามนั้น่ะ พวกสักยะทั้งหลายก็มานะมากนี่น ะ, นะรุ่นใครที่อายุเป็นรุ่นที่พระพุทธเจ้าอายุมากกว่าเป็นต้นท่านเหล่านี้จะมีมานะอย่างแรงกล้าพรนก็เลยส่งพวกอมาตเอ่อพวกนมนมเนี่ยนะพวกนุนมสาวสาวมาก่อนพวกพญาที่อายุมากๆก็พวกตาพวกลุงพวกอะไรก็ไปนั่งข้างรามสงสัยของเทวดาทั้งหลายพอมาถึงกระบี่บาพระพุทธเจ้าผู้เป็นรุ่นหลาน กราบมาณคของเจ้าสกยะเพราะว่าเหะเพื่องก็เห็นว่าหูญาติของเราเนี่ยนะมันโปรยฝื่นเท้าลงราดรถณนะอย่างแรงกล้าไม่ว่าเราเนี่ยแสดงว่าขีจ้ายักฤตทั้งหลายเนี่ยพอเห็นพุทธเจ้าไม่รู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าพื่องก็เมรมิตรรัตนจงกรมบนอากาศเนี่ยนะเมรมิตรรัตนจงกรมบนอากาศก็หาะขึ้นสู่อากาศแล้วก็แสดงย ม, มะกะปาฏิหารอันนี้เป็นย ม, มะกะปาฏิหารครั้งที่สองครั้งแรกแสดงที่ ต้นพระสีมหาโพนี่นะเพื่อ ก, กำจัดความสรัทธาจะคร ก, ก่อก้อดาทั้งหลายพอมาถึงกบิลพัทในีก็แสดงอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทั้งศานะของเจ้าสกยะเพราะว่าเหาะขึ้นเหมือนกับโปรยฝุ่นเท้าเนี่ยเหมือนประฝุมเท้าลงราดรถเกษาของเจ้าสกยะทั้งหลายหีเจ้าสกยะทั้งหลายเนี่ยพอเห็นอย่างนั้นพระเจ้าสุโธทนะก็ไหว้พระยาทั้งหลายก็ไหว้ต้องไหว้าตามทั้งหมด ทีระหว่างที่พระองค์ได้แสดงยมากบาบปาฏิหารเหาะอยู่นั้นน่ะพระสารีบุตรยอยู่ที่ภูเขาคิจกุฏพร้อมที่สุประมาณหนึ่งันเอ่อประมาณ2องรห้าสิรูปที่เป็นบริวารเนี่ยนะพระสารีบุตรเนี่ยมองเห็นเลยจากราชครึกก็มองเห็นมาเห็นพระพุทธเจ้าแสดงยมากาปาฏิหารก็พระสารีบุตรพร้อมทั้งสาวพร้อมทั้งลูกศิษย์ก็เหาะมาก็มาถามปัญหาว่าอวงของพระองค์นี่เป็นเช่นไร เพราะอันนี้เป็นไปยังไงพระไมพระองศ์จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ก็แสดงพระพุทธโย์ให้ฟังก็อยากที่เรารู้กันใช่ไหมพระพุทธพระพุทธโยงอ่ะนะก็ตกลงคือฝนวงของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยได้รับพุทธภรรยาโดยประสงค์ให้เปียบก็เปรียบผู้ไม่เป็นดารมีมาอย่างไราเพราะพระพุทธเจ้ากี่องค์จึงได้บรรลุเป็นเจ้าสกฤตเจ้าเสร็จแล้วก็ภาษารี่บอกก็ยังถามอีกถามถึงจริยาคือความปฏิบัติของพระองค์พระองค์ก็แสดงอะไร แสดงจริยาปิดอกด้วยนี่แนะแสดงจริยาปิดอกแสดงจริยาความประพฤติความปฏิบัติที่พระ อ, องค์ได้บาําเพ็ญมาพอพระ อ, องค์แสดงจริยาปิดอกจบเต้นต้นเนี้ยพระ อ, องค์ก็ประทับลงมาระหว่างที่พระองค์ทรงประทับลงมาเนี่ยฝนโบกครพัดก็ตกลงคือฝนสีแดงเนี่ยนะฝนเป็นน้ําสีแดงตกลงมาผู้ใดประสงค์ให้เปียกก็เปียกผู้ไม่ประสงค์ไม่ให้เปียกก็ไม่เปียกเนี่ยนะ เจ้าักดิยาทั้งหลายก็บอกโอ้เหตุการณ์นี้นะ่าอัศจรรย์มากพระองค์ก็บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่มีครั้งนี้ครั้งเดียวแม้แต่ในอดีตก็เคยมีมาแล้วพระองค์ก็เลยตัดอะไรพระเวสสันดรชาดกเนี่ยนะแสดงพระเวสสันดรชาดกพระเจ้าสุโทโธทนะเขบอกว่าเอ๊ะวงเราในวงกษัตริย์ไม่มีใครนิมนต์ให้แต่ฉันไม่มีใครนิมนต์ให้แต่ฉันพระองค์ก็เลยเสด็จเข้าไปบิณฑบาตว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตเวลาเข้ามาโปรด เมืองพุทธบิดานี้ทําอย่างไรบอกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นบินทบาตพระองค์ก็เลยบินทบาทต า, านางพิมพาเนี่ยมองเห็นพระพุทธเจ้าบินทบาทนี้ก็เลยไปบอกพระราชาพระราชาก็เลยลงไปใช่ไหมเขาบอกว่าทําไมลูกกินพระโสดาบานันนี่อันนีธรรมดาก็ควรมาฉันที่วังไม่ใช่หรืออามีบอกว่าพระพุทธเจ้าก็ตกาศว่าอันนี้เป็นวงของอาตมาพระจราสุรินาค่ะบอกว่าเออวงเรานี่วงกษัตริย์ไม่เคยมีใครขอทานอย่างนี้เลย ก็บอกว่าันนั้นเป็นวงของมหาบาพิษวงของอาตมาภาพเป็นพุทธวงศ์เ น, นะเป็นวงของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมว่าไม่ควรประมาทในอาหารบินธบาทที่ลุกขึ้นต้อนรับเป็นต้นเ น, นะควรประพฤติ ท, ทำให้เป็นสุจริตไม่ควรประพฤติทธทำให้เป็นทุจริตตอนละพระเจ้าสุดโททนะบนรรลุอะไรบรรลุเป็นพระโสดาบัน น, นะหลังจากนั้นพระองค์ก็แสดงอีกก็บรรลุเป็นพระสกะทาคามี ซึ่งเหตุการณ์ห ล, หลายอย่างก็ดูได้จากหนังสือพุทธกิจเนี่ยนะที่คุณป้าสุรีได้เรียบเรียงก็นับว่ามีประโยชน์มากเต็มที่ทีนี้ศาสนาก็ถือว่าทรงคุณอันยิ่งใหญ่ที่เป็นชาวแว่นแคว้นไหนเมืองกบิลพัฒน์ในพอพระ อ, องค์ได้ประทับอยู่ที่นี่พระศาสนาก็จเจริญนอกนามร่วเรืองเมืองกบิลพัฒน์นี้เป็นที่พระอรหันต์เอตัทคะเยอะมากเนี่ยนะพระอุบาลีก็เป็นชาวเมือง กบิลพัทเนี่ยนยะเอตทักฆะทางพระวินัยพระอนนท์ก็เอตทักฆะห้าอย่างแล้วก็พพระตุณณ์มันตามีบุตรที่เป็นผู้แสดงทำให้พระอนนท์บรรลุลเป็นพระโสดาบันก็ในชาวเมืองกบิลพัทเนี่ยนะผันพระที่ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ที่เป็นชาวแว่นแคว น, นี้มีมากท่านเหล่านั้นก็ช่วยประกาศพระาศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างขวางแพร่หลาย พูถึงมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เมืองอที่นิโครทารามนี่แหละนในมหาสุญียตาสูตรเนี่ยนะที่จะกล่าวต่อไปอมหาสุนียตาสูตรเป็นพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสที่วิหารนิโครทารามนะซึ่งเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงข้อปฏิบัติที่สำคัญมากก็ในเอกสารเล่มเหลืองนี้ก็จะมีนะที่ที่คุณป้าสุริเรียบเรียงไว้ย่อ So, เรื่องมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารนิโครธารามกรุงกบิลพัทในสกกะชนบทครั้นนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงลุ่งแสดงทรงบาทจีวรแลสเสด็จเข้าไปบิญทบาทยังกรุงกบิลพัทในเวลาเช้าครั้นสมัยนั้นแลท่านท่านนกนกภายหลังเวลาพระกาหารแล้วจึงสเสด็จเข้าไปยังวิหารของเจ้ากาละเขมกะสักยะมีเสนาสนะที่แต่งตั้งไว้มากด้วยกันพระผู้มีพระภาคเจ้า ทพระเนตรเห็นเสนาสนะที่แต่งไว้มากด้วยกันแล้วจึงมีพระดำเลตดังนี้ว่าในวิหารของเจ้ากาลคเมากะาสักยะเขาแต่งตั้งเสนาสนะไว้มากด้วยกันที่นี่มีภิกษุอยู่มากหรือหนอก็สงสัยว่ามีพระอยู่เยอะหรือทําไมเสนาสนะเนี่ยเหมือนกับว่าที่นอนเนี่ยปูไว้เกลื่อนไปหมดเลยนะมีพระภิกษุอยู่มากหรืออย่างไรสมัยนั้นเลยท่านท่านนกับภิกษุมากรูกทําจีวรนกรรมในจิ ในวิหารของเจ้านี้ทำไมพระพิสุมาอยู่รวมกันมากเหลือเกินท่น พ, พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่ทรงหลีกเร้นอยู่จึงเข้าไปยังวิหารของเจ้ากตายะสักยะแต่ทับนั่งณนะอาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้ พอประทับนั่งเรียบร้อยแล้วก็ตรัสสั่งกับพระนนทว่าดูก่อน อ, อนอนทในวิหารของเจ้ากาลัเขมกะสามชอบคลุกคลีกันน่าเว้มากด้วยกันที่นั่นมีพิสุอยู่มากมายหรือย่ำไม่งามก็มีว่าพราะองค์เนี่ยพรองไม่เคยเห็นพระพิสุยืนสองรูปเนี่ยนะเคยเห็นแต่วิเวกวิเวกกันแต่ทําไมที่ตรงนี้ทำชิสุมาอยู่รวมกันมากเหลือเกิน ขาโนนก็กราบทูลว่ามากมายพระพุทธเจ้าค่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจีวรลการอันนะคือการที่ทําจีวรสมัยของพวกข้าพระองค์นี้กําลังดําเนินไปอยู่พระองค์ก็ตําหนิว่าดูก่น อ, นอนอนนนานอ น, น, า น, น, น, น, น ท, มมนนนทพิกษุผู้ชอบคลุกคลีกันยินดีในการคลุกคลีกันประกอบเนืองๆซึ่งความชอบคลุกคลีกันชอบเป็นหมู่ยินดีในหมู่บันเทิงร่วมหมูย่อมไม่งามเลยดูก่อนอานน์ข้อที่พิสุผู้ชอบคลุกคลีกัน ยินดีในการคลุกคลีกันประกอบเนืองๆซึ่งความชอบคลุกคลีกันจนข้อที่ภิกษุเป็นผู้ผู้เดียวหลีกเพลงร่วมโหมกันนั้นหนอจักเป็นผู้ได้สุขเกิดจากเนคข ม, มะสัมมะสุขอันเกิดจากความสงัดสุข ไปสงบสุขที่เกิดจากการตระเกิดแต่ความตรัสรู้ตามความปรารถนาโดยไม่นั่นเป็นฐานะที่จะมีฐานะที่จะมีได้ น, นะถ้าหากว่าผู้ที่ยินดีอยู่กับหมูอยู่ร่วมกับหมู่มีความสุขกับหมู่คณะบันเทิงกับหมูคณะที่จะได้สุขที่เกิดจากสมถาวิยปัสนามัชผลเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกคือเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าสแสวงหาความสุขจากการอยู่เป็นหมู่เป็นคณะเป็นต้น ส่วนข้อที่ภิกษุเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมยูพึงหวังเป็นผู้ได้สุขเกิดจากเนคข ม, มะสุขเกิดแต่ความวิเวกสุขเกิดแต่การเข้าไปสงบสุขที่เกิดจากการตรัสรู้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากไม่ละมากนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้หมายคืว่าถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มากด้วยการหลีกเล้นเนี่ยที่จะบรรลุโลกุตระสุขนะนะสุขในวิตัสนาชาณทิ ญ, ญามัชผลเนี่ยที่ลงไปสู่แม่น้า และการอยู่รวมยินดูด้วยหมู่บันเทิงด้วยหมู่ที่จะได้มีความสุขที่เกิดจากสมถาวิปัสสนามัตผลนิพพานเป็นไปไม่ได้หรอกซึ่งอัตถาอธิบายข้อความตรงนี้โดยพิสดาลว่าได้ยินว่าก่อนหน้านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เคยทอดพระเนตรเห็นภิสูุทั้งหลายจะอยู่ที่เดียวกันถึงส0บรูปหรือ12รูปครั้นพรองค์ได้มีพระดำริอย่างนี้ว่าขึ้นชื่อว่าการอยู่เป็นคณะนี้ ได้ประพฤติปฏิบัติกันมาในวัตตะแล้วหมายความว่าอี่านะสารวัตรก็อยู่กันแต่เป็นหมู่เป็นคณะนี่แหละเหมือนน้ำที่ไหลลงไปสู่แม่น้ำและการอยู่รวมเป็นคณะก็ประพฤติกันมามากแล้วที่อยู่ในที่ไหนบ้างอยู่ในในรกก็โอ้โหพวกเยอะเนี่ยนะตอนอยู่เดือดฉานก็พวกมาก อยู่ในเปรตก็พวกเยอะอสูรกายก็พวกมากแม้กระทั่งในมนุษย์เทวดาและพรหมโลกยกตัวอย่างเช่นนรกเนี่ยหมื่นโยอดแน่นไปด้วยสัตว์ทั้งหลายเต็มเหมือนธนานผงดีบุกอย่างเช่นนรกเนี่ยพื้นที่อเวจี น, นรกเนี่ยเขาบอกว่าปพื้นที่ 1,000 0่นตารางกิโลเมตรเนี่ยนะเออัดเท่ากับผงธนานดีบุกถามว่าสัตว์ไปอยู่ที่นั่นสักเท่าไหร่หาดูประมาณหมื่นยอเหมือนสถานที่เขาเลงโทษในนรกเนี่ยนะก็นัด สุรกาลก็อยู่เป็นคณะอย่างเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ร่วมหมู่ร่วมเป็นคณะก็เดือดร้อนห้าล้านเจ็ดแสนเป็นต้นอย่างนั้นหรือแม้แต่เกิดเป็นเดรัจฉานในจอมปลวกหนึ่งจอมปัดโกดเดรัจฉานเท่าไร่ในรงังมดแดงรงังนึงเนี่ยมีสัตว์อยู่เท่าไหรเพราะฉะนั้นในหมู่เดรัจฉานนี่ก็มีการคลุกครือยู่เป็นหมู่เป็นคณะมากมายหรือในอนครเปรตเนี่ยนะเปรตหนึ่งคาวุธเนี่ย อย่างเมื่อราชครึกโนแน่นไปด้วยเปรตนเนี่ยนะโยมอยู่โยมเรียงอยู่เป็นหมู่เป็นคณะยยเยอะแยะไปหมดเลยในพบอสูรประมาณหมื่นโยตเหมือนรูหูที่เอาเข็มเสียบไว้ที่หูแม้ในอสูรกายก็อยู่เป็นคณะอย่างนี้ในมนุษย์โลกล่ะเมืองสาวัตถีบอกว่ามีมนุษย์ประมาณ5้าล้านเจ็ดแสตระกูลเมืองราชครึกทั้งภายในทั้งภายนอกอาศัยอยู่18โกลถึง4อาศงไขแสนกับพ่อ ก, ก็เพื่อนเยอะเหลือเกิ น, น, น, นก็มาอิน แต่ผู้สู่เหล่านี้จําเดินแต่นี้เยะแยะไปหมดเลยเหมือนมีงานอนนสถานีรถไฟอย่างการงานกรถิน่นสามงานมารวมกันอย่างนั้นเลยคนเนี่ยเยอะมากๆากเลยอะ่ะทันแม้ในมนุษยโลกเทวโลกพรหมโลกตั้งแต่พรหมเทวดาขึ้นไปมีแต่คนเยอะอย่างบางแห่งเนี่ยพรหมเนี่ยอยู่ก้าโกรธก็มีบางแห่งเนี่ยพรหมทําำดีเป็นหมื่นก็มีเพราะฉะนั้นพองดำริว่าเราเพนบารมีมาสะสิบทัศน์แน่นนะ อุปตารมีเป็นต้นจนถึงสี่อสงไขยแสนกับพ่อ ก, ก็เพื่อกําจัดการอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะแต่พิสูจเหล่านี้จําเดิมแต่นี้ไปพิสูจเหล่านี้ย่อมเกาะกลุ่มยินดีในหมู่ทํากรรมที่ไม่สมควรเลยเนี่ยนะก็ถามว่าเมื่ออยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะเนี่ยนะกิจกรรมที่เป็นไปโดยมากทําอะไรเนี่ยนะน้อยนักที่จะฟังธรำ โดยมากก็เต้นเดรอดรแฉลบกระถาเดรอดรแฉลบไปเดรอดรแฉลบมาก็ที่มาของการร้องรําทําเพลงดีดซีปีเปาที่มาของการทะเละเบาแวงกันเป็นต้นเนี่ยนะก็มาเต็มเพระาะอาศัยการคลุกคลีพระองค์ก็เลยเกิดธรรมสังเวชเพราะภิกษุทั้งหลายเป็นเหตุพราะจะรู้โทษของตนใช่ไหมจดสิกขาบทว่าภิกษุสองรูปไม่พึงอยู่ในที่เดียวกันแต่ก็ไม่สามารถจะบัญญัติได้แต่อัธยาศัยจริงๆประสงค์จะบัญญัติว่าถ้าอยู่สิตําไป เพราะว่าการอยู่สองรูปเนี่ยไม่ค่อยสัตาย่าต่อการเจริญกรรมาฐานสังเวยมันท่านพงศ์ก็เลยแสดงมหาสุญญ า, าสูตรเนี่ยนะเพราะว่ามหาสุญญาตาสูตรเป็นเหมืนอนพองศ์บัญญัติสิกขาบทสําหรับคุณบุตรผู้ใคราต่อการศึกษาและเหมือนกระจกสําหรับสองหมูสัตว์ทุกหมูเหล่าที่วางไว้ที่ประตูเมืองจากนั้นกษัตริย์เป็นต้นเมื่อส่องกระจกแล้วก็จะรู้โทษของตนใช่ไหมตรงไหนแต่งตัวไม่เรียบร้อยเป็นต้น ก็จะละโทษนั้นฉันนับาทานสงเอาสูตรนี้มาแสดงให้ฟังสะด่วงไปแล้วประมาณห้าพันปีบางวัดก็ไม่คุยกันเลยแต่ก็จากบรรเทาความอยู่เป็นหมูยินดีนะจนได้บรรลุมรรคผลแห่งวัดจะทุกได้กูระเบิทั้งหลายเลยลึกถึงพระสูตรเข้าใจแล้วเนี่ยนะพราะเป็นหมู ยังทุกในวัตตะให้สิ้นตาแล้วกูนต่อการบรรลุม่วนเหมือนอย่างมโนรสของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้บริบูรณ์จากการตรัสสูตรนี้ทําให้หมู่พระพิสูจน์เนี่ยนะปฏิบัติตามธรรมนี้นายเนี่ยบรรลุมาก น, นะนียบรรลุมากอยู่บางแห่งเนี่ยวันเข้าพรรษาเนี่ยพระเทราผู้เป็นประธานสงเอาสูตรนี้มาเสด็จให้ฟังเสรีบอกเมื่อพระผู้มีเจ้าสอนอย่างนี้เราทั้งหลายจะทํำยังไงบางวัดก็ไม่คุยกันเลยตลอดพรรษาตั้ง ตั้งหน้าตั้งตาในการปฏิบัติจนได้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะอันนี้เป็นเป็นธรรมะที่กล่าวสําหรับผู้ที่เข้าใจแล้วเนี่ยนะเพราะผู้ที่เข้าใจพระธรรมแล้วการอยู่รวมหมู่รวมคณะไม่ได้เกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลสักเท่าไหร่ทีนี้พระองค์ก็แสดงว่าเนี่ยนะว่าการอยู่ร่วมกันพลุกเคลียกันด้วยหมู่ด้วยคณะนี้ไม่ค่อยเจริญโดยเฉพาะเจริญในสมถวิปัสนาฌานอภิญญามรรคผลเนี่ตนตยตกลงไปได้ยากผลพระองค์ก็เลยตรัสว่าดูก่อนอนอนร ผู้ที่ชอบคลุกคลีกันยินดีในการคลุกคลีกันประกอบเนืองๆซึ่งความคลุกคลีกันชอบเป็นหมู่ยินดีในหมู่บันเทิงร่วมหมู่นั้นหนอพิจารณาเห็นรูปแม้อย่างหนึ่งซึ่งเป็น ที่ไม่เกิดโสกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปสมัยอยู่นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ น, นถ้าเพลิดเพลนในมูมที่จะได้อภินยาหรือได้ฌานทั้งหลายรูปฌานารูปฌานหรือแม้กระทั่งโลกุตระฌานเนี่ยเป็นตายไม่ได้หรอกส่วนข้อที่พิสูนเป็นผู้เป็นที่ตั้งแห่งออกจากโมอยู่เนี่ยนะพึงหวังบรรลุเจโตวิมุตติอันน่าประ อย่างเพียงชั่วสมัยหรือเจโตวิมุตต์อันไม่กำเริบไม่ใช่เป็นไปชั่วสมัยอยู่นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนอนอนลเราย่อมไม่พิจารณาเห็นรูปแม้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่ไม่เกิดโสกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาตเพราะความเปรทวนและความเป็นอย่างอื่นของรูปตามที่เขากำหนดกันอย่างยิ่งซึ่งบุคคลกำหนดแล้วสรุปว่า ไม่มีรูปใดรูปหนึ่งหรอกที่บุคคลเข้าไปกําหนัดเลยไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกับปริเทวะทุกขโทมนัสเลอุปายาตอย่างเช่นใครอธกถาท่านก็ยกตัวอย่างในปิยชาติกสูตรว่าความเสศทั้งหลายเกิดจากบุคคลอันเป็นที่รักใช่ไหนางวิสาขาร้องให้เพราะใครเพร่หลานอันเป็นที่รักนะสามีบางคนก็ร้องให้อารมณ์ตายไปผู้เป็นผรักหรือภรยาบางคนก็ ร้อมให้เนี่ยนะดับเคยมีเขาเขียนจดหมายมาถามปัญหาโยมคนหนึ่งนะเขาก็เอาจดหมายมาให้ให้ดูเราจะได้ช่วยเขาตอบเ็าบอกว่ า, วาตั้งแต่แฟนเขาตายเนี่ยเขาไม่มีกระจิตกระใจที่จะมีชีวิตอยู่เลยก็ว่างั้นชีวิตนี่แห้งแล้งมากนะนั่นก็โทษเกิดจากอะไรก็เกิดจาก วัตถุอันเป็นที่รักนั่นเองทันไม่มีรูปใบหลอกที่จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวทุกขโทมานัตและอุปายาสาหรับบุคคลที่เข้าไปคาดหวังในเ ร, รื่องเหล่านั้นคาดหวังในอาดอาดเลือดเหมือนกันเนี่ยนะท่านวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งทุกโทมนัตจนได้แล้วตอนหลังทราบเหล่านั้นหมดไปแม้กระทั่งพระสารีบุตรเนี่ยนะเดินออกจากสํานักเทวทุกขโทมานัตลูกศิษยอเนี่ยอาจารย์สันชัยเป็นยังไง กระอักโดยที่สุดแม่ก็หรืออุบาลีขึหบดีเนี่ยนะที่เดินออกจากนี่คนตะบุดเป็นยังไงนะนี่คนหน้าตะบุดก็กระอักเลือดเลยแล้วใครอีกที่เป็นคล้ายๆกันเนี่ยนะไม่ใช่น้อยเลยสําหรับเออเนี่ยน ะ, ะพระเทวทัพเนี่ยตอนที่บริยานจากไปหมดนี่ก็โอ้แทะกระอักเลือดเหมือนกันเนี่ยนะพันวัตถุหรือรูปทั้งหลายอันเป็นที่รักแม้กระทั่งผู้ที่เคยมีทราบแล้วตอนหลังทราบเหล่านั้นหมดไปเป็นยังไง พันรูปทุกอย่างจึงเป็นที่ตั้งแห่งโศกะปริเทวะนะแต่ถ้าหากว่าเราศึกษาพระที่ตั้งแห่งทุกอย่างมากมายโดยแห่งโสกะปริเทวะทุกกรทมนัตและที่ที่ศาสนาอื่นเข้ามาสร้างครอบก็เป็นนะนะถ้าน้ำท่วมพัดบ่าละปริเทวะทุกกรทมนัตแล อุปายญาติเราก็บาลเต็มที่เนั้นโดยที่สุดน์เนี่ยนะพะงศ์ก็ยังเคยสอนขนาดนี้พงศ์สอนไปแล้วนะว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายชนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์เธอทั้งหลายก็จะได้อาฆาตพยาบาทถูกเวรในคนเหล่านั้นเลยเพองศ์ก็สอนไปนะขนาดนั้นเราก็ยัง ลืมคําลืมโอวาทเหล่านี้ด้วยซ้ำไปเนี่ยนะแต่ยังไม่ชอบอีกนะมันถ้าหากว่าเราศึกษาพระธรรมเข้าใจเนี่ยจะรู้เลยว่ารูปทุกรูปเป็นที่ตั้งแห่งโศกภริเทวะทุกโทมนัตแลอุปายาตยังนาเข้าวสวยๆข้างๆเรานั่งเนี่ยนะถ้าน้ําท่วมพัดบ่าลงไปเจ้าของจะเป็นยังไงก็โศกเนี่ยนะก็ดอกโศกก็บ้าตายภายหลังจนได้เนี่ยนะยนนยนะถ้าเข้าไปค่ะทั้งก็รูปทุกอย่างในโลกจะใช้สตังให้สบายใจแล้วก็เป๋าสตังห้าตุกโทมานัตแลอุปายาต ลองไปหวังหลาพระสัปปะรดจะเดินทางข้ามมามเสียใจมีไหมรูปของใครบ้างไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจมีไหมเพราะฉะนั้นรูปทั้งหลายเป็นอย่างนั้นพั้นการคลุกคลีกันก็เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะเชยชิดในรูปเพื่อที่จะติดข้องกำหนัดในรูปเมื่อติดข้องกำหนัดในรูปเนี่ยนะถ้าสิ่งนั้นดีจริงพระองค์ไม่สอนให้ละหรอกแต่ว่าเนื่องจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตไปภายหลังจนได้เนี่ยนะถ้าเข้าไปคาดหวัง ในสิ่งนั้นนนั้เช่นคาดหวังว่าจะใช้สตางให้สบายใจแล้วกระเป๋าสตางหายแล้วเป็นไงทุกเลยไนงะหวังว่าพระสปอตจะเดินทางข้ามเมืองพระสปอตหาไม่เจอแค่นั้นแหละเป็นเล่าๆเลยคนนี้แต่ถาคตเข้าถึงสุญญาตาสมัยเนี่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นที่ตั้งแห่งนิมิตทั้งปวงอยู่สนัตและอุปาญาตโดยที่สุดน้อยแต่ร่างกายของเราทั้งหลายพอเราเนื้อไว้เรานี้คงไม่ปเตยมั้งคงไม่เตยถ้าเตยขึ้นมาอะไรเกิดขึ้น โศกะเปื่อยทั้งกายเปื่อยทั้งใจเลยเพราะนี่ว่าร่างกายทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งโศกกระปริเทวะทุกขโทมานัตจริงๆอันการคลุกคลีในขันห้ามากๆไ ม, ม่ยังประโยชน์ให้สําเร็จอะไรสําหรับผู้ที่เข้าใจพระธรรมแล้วทีนี้ปองกระแตว่าดูก่อนอ น, อนนนก็วิหารธรรมอันตถาคตตรัสรู้ในที่นัน น, นนี้นั่นแลตถาคตเข้าถึงสุญญาตาสมาบัตในภายในเพราะไม่ใส่ใจนิมิตทั้งปวงอยู่ สุญญาตาสมาบัติภายในนี่หมายถึงพระองค์เข้าจตุทธฌานที่เป็นโลกุตระมีนิพานเป็นอารมณ์เด่นนะเกอูนไปในวิเวกหลีกออกลาศกาพระราชามหาอามาตของพระราชาเดียรฐีสาวกของเดียรฐีเข้าไปหาตถาคตผู้มีโชคอยู่ด้วยวิหารธรรมในที่นั้ น, น, นตถาคตย่อมมีจิตน้อมไปในวิเวกนนี้น น้อมไปในเวกขนาดว่าพระองค์อยู่กับประชุมชนหมู่ชนมากทำขนาดไหนใจของพระองค์ก็น้อมไปในนิพพานโอ้ไปในนิพพานอันแท้ถึงประชาชนจะเข้าไปเฝ้าพื่สัมมาสัมพุทธเจ้ามากเพียงใดตั้งสิบคนพระองค์ก็ช่วยเขาเหล่านั้นให้พ้นจากวัาแตทุกข์ขนาดใหญ่ในโลกองค์พระองค์ก็มีแต่ชักชวนเขาเหล่านั้นให้บรรลุธรรมะเนคธรมะต่อมายถึงอาาัตถกาถาที่บายว่า ถ้าเพร่เพื่อน้อมไปอย่างนั้นโดยส่วนเดียวมีภายในปราศจากธรรมะอันเป็นที่ตั้งคือไม่มีสังขารนิมิตเลยะนะไม่มีที่ตั้งแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวงจะเป็นผู้ทาการเจรจาแต่ที่ชักชวนให้ออกจากวัตถุทุกเท่านั้นในบริษัทนั้นๆแท้ถึงประชาชนจะเข้าไปเฝ้าเพร่สัมมาสัมพุทธเจ้ามากเพียงใดก็ตาม ทำก็ช่วยเขาเหล่านั้นให้พ้นจากวัตวทุกขนาดเข้าเข้าไปเฝ้าพระองค์พระ อ, องค์ก็มีแต่ชักชวนเขาเหล่านั้นให้บรรลุมรรคผลนิพพานอธตคฐาที่บายว่าถ้าพร ะ, ะพระ อ, องค์แสดงธรรมอยู่เนี่ยนะพุทธบริษัทอนุมโมทนาสาธุ